การแยกรูปนามเป็นจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญาวงเล็บเปิด2 3่สิบมกุมภาพันธองพ5นหในวงเล็บสองจุดจุดนาที18วงเล็บปิดการแยกรูปแยกนามเป็นจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญาเป็นยานตัวที่หนึ่งในโสลัสยานหรือยาน16โดยยานจะมีเป็นกลุ่มๆไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องผ่านทั้งหมดนี้โสลัสยานเริ่มจากนามรูปปริเช ท, ทยาน แปลว่าการรู้จักแยกสภาวะของรูปและนามออกจากกันได้สภาวะของรูปเป็นก้อนๆประกอบด้วยก้อนธาตุดินน้ำลมไฟรูปสามารถแตกดับและถูกทำลายได้เป็นของหยาบส่วนนามธรรมคือคนที่ไปรู้มันเข้าเป็นธรรมชาติรู้เวลาภาวนาให้ดูไปว่ากายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งถ้าจิตเกิดไปรู้กายชัดบ้างหรือรู้จิตชัดบ้างก็ไม่ห้ามจิตไม่ใช่จงใจเอาอันใดอันหนึ่ง ถ้าเกิดมีการจงใจเอาอันหนึ่งไม่เอาอีกอันหนึ่งจะเป็นสมถะซึ่งถ้าทำถึงสุดขีดจะเห็นจิตเป็นอัตตาคิดว่าบังคับตัวเองได้เป็นการเพิ่มอัตตา